คือโดยส่วนใหญ่คือไปในเรื่องการสาธิตปฏิบัติเพระทุกท่านมุ่งหน้ามาสาธิตปฏิบัติจิตใจของตัวการสรธิตปฏิบัติทางหากที่คุณเนี้ยแนวทางให้ของศาร์ว่าจะธิปฏิบัติอย่างไรแต่นั้นคมีคุีอาจารย์แนะนา สั่สอนเพื่อจะให้รู้จักการปฏิบัติในอย่างนั้นบางทีก็ผิดไปผ่านไปครูอาจารย์จิตเป็่างสำคัญเริ่มจากครูอาจารย์ในนี้ครูมีอาจารย์แนะนำสั่สอนทำสิ่งความเห็นบางสิ่งบางอย่าง พอร้อยดาวอยากที่เราเคยได้ยินได้ฟังมาเพาอะไรเกิดเสือก็ติดตามเป็นจคิดเดืวยไปก็เข้าใจว่าสิ่งนั้นเป็นิงผิดเหชอบนันที่สุดคือที่ถ่วไปทั้งตัวดูหนิ่นมินท้าเพราะว่าไม่มีเหตุนมีผลแนั้นเราถูกมาประเทศีตะิี้บักสาษาาสนา ระยะนี้ครูอาจารย์ก็ยังมีวิธีจะเป็นที่ศึกษาแต่น้องเรียนตามทางธรรมะก็คือฟังแ้วทางที่จะประพฤติตบเพื่อให้จิตใจของตัวละเชื่อบำเพ็ญดีให้จิตใจของตัวจเรียก้าหน้าเป็นทางทางศึกษาจะเรีย บอกแผนที่หรือแนวทางการปฏิบัติเป็นการเดินตามแผนที่หรือเดินตามทางที่เป็นที่บอกอเมื่อได้ฟังแล้วนำไปคิกที่จะรายมานแล้วลงมือปฏิบัติตามคำแนะนำที่ครูที่อาจารย์สอนให้เรื่องต่าง สอนไปเราฝึกจะเข้าใจว่าเราเห็นเราเป็นจากการประปฏิบัติมาอย่างนั้นความเชื่อในจิตในใจก็จะเน้นฝังแน่นพอฟังแล้วก็จะจิตจางไปหายไปปล่อยใจทั้งตัวในเห็นในเป็นอย่างนั้นดังนั้นการประบัติปฏิบัติจึงเป็นเรื่องสำคัญ ปฏิบัติภาใจให้แน่พราะเราเห็นเราเป็นจากการจะททำบ่มเพนความเชื่อจึงมีการลบเรียนคนีการประพฤติปฏิบัติแา่ความเห็นความเป็นของใจธรรมของพระพุทเจ้านั้นทาทาจากผู่ ให้มากกวมากแสนที่จะมากจนไม่สามารถที่จะนำมาพูดให้จบให้ขิ้นได้เพรามากเหลือวิสัยจะจะพูดตั้งเอือ ย, ยอดเข้าม า, าสอนทั่วใจสอนกายสอนใจของบุคคลสิ่งที่คิดที่ชั่วนั้น มันเกิดขึ้นจากการแตะทํารรของตอนแต่เกิดขึ้นจากการคิดของตอนสิ่งที่ดีที่ชอบนั้นมันก็ทราบก็เข้าใจในกายในใจอีกเหมือนกันในใจว่ามันไม่ทราบไม่เพาใจเช่นความสงบของจิตความลงเวรของจิตความเกิดปัญญาละกิเลสเหล่านี้ ไม่ใช่จะมีอยู่ตำลักตำลามีอยู่ในใจของคนที่ทเจรินาถึกปฏิบัติจะเห็นแค่เป็นทั้งๆ ท, งที่สิ่งนั้นไม่เคยเห็นเคยพบมาก่อนแต่เมื่อลงมือปฏิบัติไปพอใจได้สัมผัสเรื่องอัดเรื่องทำอะไรลราจะทรางในตัวของเราว่าจะก่อนเปล่า <c oughs> เราไม่ไปพูดปฏจิบัตหรือไปพูดประิบัตยังไม่เห็นไม่รู้ความเป็นอย่างนี้ความเห็นอย่างนี้ยังไม่เกิดไม่มีในตัวของเราแต่พอเราเห็นเราเป็นแล้วใครเขาจะไม่เชื่อใครเขาจะตำหนิใครเขาจะพ <c oughs> ัดพานพัดพานขนาดไหนแต่ใจสิไปสัมผัสไปเห็นไปเป็นอย่างนั้นต่ยังคงเสน้นคงวาอยู่ ไม่มีการโคงใส่ลำเอียงไปตามคาพูดของคนพอเราเห็นเราเป็นในตนของตนในใเราฟังมาหรือจํามาจากลมปากของคนอื่นนี่ความเชื่อมันเกิดขึ้นจากการกะทำบมเพนมันเห็นมันเป็นในตัวมันเชื่ออย่างนั้นความเชื่อชนิดนี้ ทางศาสนาสันติว่าอาจาระสัทธาคือศัทธาที่แน่นแน่น แ, แข็งท้อ <c oughs> สั่งมั่นเพราะความเห็นความเป็นของตนเป็นอย่างนั้นใครจะว่าอะไรอย่างไรไม่มีการหวั่นไหวเพราะเห็นเพราเป็นในใจของตัวแต่นั้นการประบัติปฏิบัติจึงเป็นอย่างสําคัญการประฤติปฏิบัติ ที่จะให้เกิดผลนั้นต้องอาศัยตัวของตัวเองประทับประครองรักษาทั้งวรตายวาจาจใจของตัวจึงใดที่ชั่วที่เสียทั้งสีมีในกำรับกำลังหรือไม่มีในกำรับกำลัาก็ดีตส่งพินิ้ที่เจรณาส่งสร้างวอนรักษาสิ่งที่ชั่วที่เสียที่เหน่าที่เหน้นคนอื่น ทำแก่ตัวตัวไม่ชอบตัวไม่ยินดีตัวไม่พอใจคนอื่นเขาทำไปเราาำนิดตัวของเราอย่าไปทำชั่วพูดชั่วคิดชั่วอย่างนั้นถ้าหากตัวไปทำอย่างนั้นได้ชื่อว่าตัวไม่รักษาจิตรักษาใจรักษาตัวของตัว นี่แต่ต้อนิคนอื่นแต่ตัวชั่วตัวเสียไม่เห็นแบบนี้ไม่ดีเป็นทุกข์เป็นโทษถึงจะมีความรู้สามารถแนสอนคนอื่นถูกต้องดีงามก่อตามแต่ถ้าว่าตัวยังชั่วยังเสียเขาก็ไม่เชื่อไม่พอใจไม่ยินดีไม่เหลื่อมใสคิดจากแนวทางสี่พระพุทธเจา้าหรือสาวก ท่านดำเนินมาท่านละท่านสอนความวความเสียออกจากกายวายจาใจต้องท่านอย่างไรท่านนำคําสอนเหล่านั้นมาสอนคนอื่นคนอื่นเห็นหรือใดยินท่านพิจารณาท่านมาท่านทําตามคํามพูดของท่นานหรนือไม่เมื่อพิจารณาไปไในเห็นอะไร ที่จะคิดแตบบ่คำพูดตัดใจท่องพันตรงกันคำสอนอย่างไรท่านต่อเพืปฏิบัติได้อย่างนั้นเขาจึงเชื่อจึงเดื่อมใสจึงเต็มใจต่อเพื่ปฏิบัติเมื่เราคู่ต่อเพื่ปฏิบัติควรต้องสองวอนระ ว, วงังใจใจท้องตัวอย่างนั้นจึงที่เชื่อจึงเสียทั่วไประวังรักษาไว้อย่าไปทําไปพูดไปคิด สึ่งไดที่ดีสิ่มีสาระนำมาสิ่งความสุขความสบายแก่ตนและคนอื่นให้จะ่ทำบำทําเพ็ญถึงแม้ว่าจะฝ่าฟืนลำบากใจไม่อยากทำก่อบังคับเพราะจะเป็นผลทางดีเกิดขึ้นแก่ตัวของตัวูีการสั้งบรระวังชั่ว กต่ทำบำเพ็ญธรรมดีโดยส่วนใหญ่เรื่องของจิตใจเ ป, เป็นต้นตอสำคัญที่จะไปเกี่ยวข้องกับอารมณ์สัญญ้นยาทางดีทางชั่วต่างๆนานาจากนั้นู้ประเที่ปฏิบัติจึงจำเป็นที่สดจะต้องมีสติรักษาอยู่ภายใ น, ใ, นใจคิดอะไรจะต้องทราบทุกระยะ มีปัญญาพิจรารณาอารมณ์ผิดคิดกลุ้งไปนั้นว่ามันเป็นทางละถอนขี้เหลือปัญหาเรียกเป็นทางสะสม่ขี้เหลือปัญหาพิจรารณาให้ถหอนใจเมื่อมันจนไปในทางสะสมขี้เหลือปัญหาห้ามตั้นจิตใจของตัวถอดถอนออกจากอารมณ์ผิดคิดผิดกลุ้งอยู่นั้น ละมันไปปล่อยมันไปทอดทิ้งมันไปอย่าไปเสียดายตายอย่ากในอารมณ์สั้นยากที่ไม่มีคุณค่าสาระอย่างนั้นมีคือการมีจิตห้ามกั้งจิตใจของตัวแล้วสอนหยุดสอนใจให้อยู่ในวงท้องอัดท้อง ท, ทมแต่ที่นี้พิจารณาด้านวิปัสสนาต้องให้มัน อยู่ในวงของขอบเยตอัดทําคือ จ, จะให้ น, หหใใ น, หนั้นหื้อแง่ผ่อใจจริงใดสิ่งหนนั้นต่จิตจะได้ในยึดมั่นถือมั่นถอบท้องทําจิตห่งองยึดถือแงสงใสลังเลใจต่างๆหรือจะพักจิตอ่อวารสงบรีบเพ่งสิงใดสิ่งพพหนงึ่ง หรือบริกรรมสิ่งใดสิ่งหนึ่งเาไปเพื่อให้จิตใจลงรวมเป็นสมาธิจิตใจลงรวมกับธรรมเป็นสมาธิธรรมดามันคิดกันเป็นสมาธิธรรมดาเท่ทคามตั้งมัน่นของจิตของใจในวันไหวต่ออารมณ์สัญญาต่างๆมีปัญญาพิจารณาเหตุกาทราาทุกอย่าง พันเรื่องท่องมันจิตไม่หวั่นไหวเอียงๆไปอย่างเงี้ยที่เจ้นาอะไรก็ที่ทเจ้นาได้ทสำเร็จเสร็จสิ้นไปคืออารมณ์มาเกี่ยวข้อง่อ็มาวกแว่ววุ่นวายไปตามอารมณ์นีน่คือสมาธิธรรมดาเป็จนจิตเรียงเรียงนั้นเร่องเรียนจ น, นการจนสมัยคือระทิ้งปฏิบัต จะต้องเห็นต้องเป็นทุกผ่านทุกคนไปจิตวรณนั้นจะต้องขาดจากสัญญาอารมณ์ทุกส่งทอย่างไปยู่เอือประเทศเฉพาะเรื่องของจิตในเด็กคิดในเดกึเรื่องอื่นมีควารู้ทราบจากจิตยืดม่นเถื่อเท่านั้นในเด มีอารมณ์อะไรมาเกี่ยวเกาะตัวพันในร่างกายท้องตัวก็มาเดีกยวเกียวข้องว่ามันอยู่อย่างไรเจนอย่างไรพอมันเหนอยออกมาทางนอกมันรวมจนมึนอยู่อย่างนั้นมันจิตตันกับจิตเป็นสมาธิธรรมดาเหือนเช่อจิตรวมแต่มันรวมอยู่อย่างนั้นความเจ็บเจ็บปวดการเวลาไมาเ่เดือขาดจิต ขาดคิดในได้เพราะ ม, มันอยู่ในความสงบในความรวมท่องมันจะนั่งอยู่อยู่วันอยู่คืนถ้าหางมันไม่ถอถอนออกมาจากนั้นมั น, มนมก็ไม่มีการมีเวลาในชีว่าร้อนนัง่งนานแล้เจ็บปวดเหนดเื่อยเหนื่อยหัวอย่างนั้นอย่างนี้มันไม่มีในวาลานจิตที่จะไปคิดไปตึงอย่างนั้นคือจิตรวมเป็นหนึ่งหนึ่งอยู่อย่างนั้นมีแต่ทำรู้สึกว่า มันเรื่มมันปราปจากอารมณ์สัญญาปราศจากทุกสิ่งทุกอย่างไปแม้ตายนันก็ไม่ได้มาจิตมาเกี่ยวข้องเราทราบพอเราเห็นเราเป็นจากการจแตะทำบำเพ็ญในเช่าเราไม่เห็นเราไม่เป็นจะไปสืบสิส่งเดาเอามันเป็นมันเห็นในสิ่งแตะทำบำเพ็ญเป็นอย่างนั้นอย่าจิตเรม ถ้าหามันไม่ถอนขึ้นมาเมื่อไรความรวมอยู่อย่างนั้นนั่นเลยมีการมีสมัยจะเูดเสื่ความสุขของใจมันก็ส so ุขละเอียดอยู่ในนั้นเนี่ยจะมันเกี่ยวกับอะไรมันจึงมีการมีเวลาให้ถ้ามันอยู่อย่างนั้นจะอยู่กี่วันกี่เดือนมันจะมีการเหนื่อยเหนื่อยเหนียวเหนื่อยมีการเจ็บปวด เพราะนั้นในเกี่ยวข้องกับอารมณ์เกี่ยวไปมีเซลลกิจเวียนนันมันเวียนได้อย่างนั้นนันเป็นอย่างนั้นขอถอนขึ้นมาเราจะดูตามเวลามันผ่านไปเท่าไรนั้นมันก็แล้วแต่ทำเวมท้องใจทำรวมงานนันก็ถ้าจากการเวียูดแจ่กความเจ็บปวดเจ็เหนื่อยเหนอยหิวเหื่อมื เหนื่อมันเหนื่อถอนขึ้นมาเหนื่อยอรสร้ารับทาบเรื่องต่างๆในเกิดขึ้นเหนื่อวจิตรวมมันจะเกิดความอัศจรรย์ว่าการนั่งของเรานานขนาดนี้ทําไมเหนื่อยจังเหนดเหนื่อยเหนื่อยหิ้วทาไมเหน่เจ็บปวดเพราะจิตมันเหนื่อเกี่ยวข้อกับเรื่องของกายกับเวทนาหรือสัญญาต่างๆ มันอยู่ะเทศอยู่เฉพาะมันมันจริงเป็นอย่างนั้นเมื่อมันเลื่อมได้อย่างนั้นมันชักได้อย่างนั้นถอนชินนาการพิจารณาสิ่งต่างๆสิ่งเราเคยจุดข้อเคยกลบวพันเคยยึดถือมันจะมีกำลังที่มีพิจารณาแก้ไขสิ่งที่กลัวพันอารมณ์ของใจ ให้ขาดตกไปเพราใจมีสมาธิได้พักผ่อนเป็นที่มีกำลังสามารถที่จะตัดหากจากเหอตอกันหาได้เหมือกนกันกับคนที่ได้ขกขันรับทานหรือทักผรามเพียงพอโรกไครใส่หนาวอะไรในเกิดขึ้นจะทำการทำงานนี้จะเดินไปที่ไหน ก็ไปได้สะดวกสบายเพราะไหมีความเหนื่เหนื่อยเหน่วยหิวมีกำลังพอที่จะเดินพอที่จะทํางานสะดวกสบายได้เหมือนเหมือนคนเหนื่เหนื่อยเหมือนนคนอดอยากเหนื่จิตคือมีสมาธิรวมๆได้อย่างนั้นจึงควรนำมาที่นี่ที่นะแก่ขีดเหลือกันหาของใจเพราะใจนั้น มันไปยึดไปถือไปเกาะไปเกี่ยวกับอารมณ์สัญญาต่างๆนานานับไม่เขั้วแต่วันเกิดมาจนกระทั่งปัจจุบันอารมณ์สัญญาต่างๆนานาไม่ได้ไหลไปที่อื่นไหลเข้ามาทับผมอยู่ในจิตในใจทั้งตัวอยู่ทุกระยะทุกเวลาบางทีกัอารมณ์ดีบางทีกัอารมณ์เสียมันทับผมจนซึอยู่อย่างนั้นจิตเกิดวันไหวเกิดความดีใจเกิดความเสียใจ ไปตามสัญญาอารมณ์ที่เกลียดชอบเกทำน่มมันเป็นอย่างนี้อยู่เลเบือมาจิตจงไหมคงเส้นงวาให้เยอกาอว่าจิตใจเจริญจิตใจสุขจิตใจสบายเยอะเกาะถือว่าจิตใจเปลียนจิตใจเดือดร้อนจิตใจวุ่นวายจิตใจเป็นทุกข์เพราอารมณ์สัญญาเพราะชีตัหา มันขับผมจิตใจมันจึงเป็นอย่างนั้นฉะนั้นเมื่อจิตมีสมาธิเพียงพอมีกาลังแล้วจะต้องพิจรนารณาแก้ไขความจิดของท้องใจเรื่องเหล่านี้มันเกิดไปจากที่ไหนทําไมมันจึงจเป็นอย่างนี้บางทีดีบางที่แย่บางที่เสี่อมบางที่จเจริญจิตใจทําไมมันจป็นอย่างนี้ จะพิจารนาหาทางจะแก้ไยใจท่องตัวให้รู้เห็นตามเจนจิงท่องมันเรื่องเหล่านี้ถ้าหากเรามีปัญญ า, า, าเราเกิดปัญญาเราสามารถพเจารณามันจะเกิดขึ้นในจิตในใจของเราถ้าบาง ท, างทีเราเคยได้ยินได้ฟังเคยจำได้ มาจากสำหรับตำราญเคยได้ยินได้ฟังตูบาอาจารย์ท่านเนี้ยสอนแต่มันไม่เกิดขึ้นกับใจของเรามันก็ไม่เป็นของของเรามันเป็นของของพระพุทธเจ้าเป็นของครูอของอาจารย์เป็นของท่านผู้อื่นสมบัติเสียมนั้นมันจึงไม่มีคุณค่าซะเป็นเน็เต็มเหนยอให้ถ้ามันเกิดขึ้นกับใจของเราเราจะทราบจะคล้อยใจจะดีใจ จะพอใจในสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันเป็นสิ่งคือเป็นของของตนเป็นปัญญาของตนที่ควรพบที่เกิดมีสิ่งจากการจัด ท, ทํามุมเพนอย่างพระอัญญาโกนทัญญะทันรู้ธรรมเห็นธรรมท่านก็พิจารณาเรื่องเหล่านี้ในเรืพิจารณาเรื่องอื่นแต่จึงหวะจิงใดจิงหนึ่งมีการเกิดขึ้นเป็นธรร ม, มดาสิ่งนั้นจะต้อง มีการดับไปเป็นธรรมดาก็เรื่องความดีความเชื่ออารมณ์สัญญาที่มันเกิดขึ้นมามันจะต้องมีตารดับของมันใ น, นวันใดกววันหนึ่งมันเกิดขึ้นจากที่ไหนทราบสถานที่มันเกิดในสิ่งเดาเหมือนโชคเรามันเกิดขึ้นจากที่ไหนมันก็จะต้องดับไปจากเลกจับดับลงไปในถี่นั้นเหมือนกันกันกบตาตึงของน้ำ มันตั้งขึ้นที่ไหนมันกระดับลงไปที่นั้นมันมันเดิไปที่ไหนกฐาฐานันคาดขันหรืออารมณ์สัญญาก็ทำนองเดียวกันเมื่อจิตยังล่มหลงในใจอย่างนั้นถึงแม้จะฟังหรือจะอ่านจะจำมามันก็จะเป็นธรรมดาให้พอเกิดครามไม่เหมาะสมขึ้นมาในกองการเขียนมา คมเดือดร้อนท้องใจนันก็เกิดขึ้นเนี่ยถูกสิ่งที่เราชอบเรายินดีเกิดขึ้นก็ถือว่าสิ่งนั้นมันจะเราก็ดีใจพอใจเป็นสุขมันหลยคงเส้นคงวาให้มันเกิดสุขเกิดทุกข์อยเรื่อยไปความสุขความทุกข์นี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ดับไปได้เป็นทวามคู่ สิ่งมีอยู่ในโลกแต่เรายังไม่ทิ่เจนนะมันจะมีอยู่อย่างนี้เราที่เจนนะเห็นตามเป็นจริงมันก็มีอยู่อย่างนี้สิ่งเหล่านี้มันเป็นของทั้งโลกเป็นโลกประทับจะความหันไหวของใจนั้นถ้าหากไม่ทราบตามเป็นจริงไม่เห็นตามเป็นจริงมันจะต้องหวั่นไหวในเรื่องความดีความชั่วเลื่อยไปเมื่อมันหวั่นไหวอยู่อย่างนั้นความสุขความสงบ มันก็หนึ่งนี้เพราะมันว่านไหวมันไม่ืงที่เหนือเราทราบจริงเหล่านี้มันเกิดขึ้นจากสี่นี้มันไม่ได้เกิดขึ้นจากที่อื่นผู้รู้จึงเหล่านี้นั้นไม่ใช่เรื่องเหล่านี้เรื่องเหล่านี้เป็นสีเป็นแสงต่างๆไม่ใช่เรื่องตัวของผู้รู้คือจิตจริงจังจริงเหล่านี้เป็นจุดแสง เงาของมันเท่านั้นศูรินั้นมันเสี่ยมแล้วก็รู้มันเจริญแล้วก็รู้สิ่งเหล่านั้นไเคยหายไปแต่สิ่งเหล่านั้นยังยึดมั่นถือมั่นยังสําคัญแบบมีแบบขั่วอยู่เมื่อไรความเอียงเอียงของจิตของใจที่จะให้ยินดียินร้ายมันยังเกศษมีอยู่เพราะมันจะไม่ปกติเราจะต้องพิจารณาให้เห็น กระชิงเหล่านี้มันเป็นเพียงสีเพียงแสงเพียงสิ่งท้ายนอกหลอกหลอนจิตใจความรู้ที่มารู้สิ่งเหล่านี้ไม่เป็นชิดเนใครยู่แล้วกว็ดับไปหมดไปยิ่งเกิดขึ้นมันก็ดับเชื่อเกิดขึ้นมันก็ดับไม่มีอะไรที่จะเป็นจริงเป็นจังให้ มันเป็นอยู่อย่างนี้ตั a, gia, ham, ột, ้งแต่ไหนแต่ไรมาเราไปรักไปชอบเขาเหล่านั้นเขาก็เต็มไปตามหน้าที่ของมันเราไปเกลียดจ้างสิ่งเหล่านั้นเราะก็มีอยู่อย่างนั้นเราบ้าไปหายึดหาถืออารณ์สัญญาเราจะเกิดปัญญาเกิดความสงบตั้งเรื่ที่เราลุ่มหลงในอยใจ ใน ส, นสิ่งทั่วไปตามเป็นจริงข้องมันเกิดขึ้นในจิตในใจของเราจนจิตใจเมื่อประเวทปฏิบัติเมื่อพิจารณาไปถึงจิตท่านที่จะไม่มีทางสงสัยเพราะจิตใจไม่ได้อยู่ในวงส่วนนี้ความสุขทุกข์ดีชั่ว จิตถูกได้เสียต่างๆนานามันเป็นเชียงสมมุติจิตคือมดจิตงดแข่งกว่าเป็นเชียงสมมุติเมื่อจิตยังในบริสุทธิ์เมื่อไรสิ่งเหล่านี้จะต้องหอกลวงจิตใจให้เกิดทุกข์ปวดทุวที่ิ้นรวยไปให้ดีใจเสียใจยู่เรื่อยไปที่ที่ ฝึกปฏะบัติที่เจรนาถัถึงรอบขอ้อทุกสิ่งทุกอย่างเห็นความเกิดความดับมันเป็นของธรร ม, มดามีประจํามาตั้งแต่ก่อนเราเกิดเราไปาทิพตปจิบัตินั่งก็เห็น ก, กอดเพลินเราไาปทิพตไปทิปฏิบัติเดื๋อวอำ น, นาจที่ไม่มีสติกะไม่ทราบสถานที่เกิดท้องมันแต่นั้นก็เกิดก็เพลนอยู่อย่างนั้น หายใจไปจากชาติเนเห็นแจ้งทุกุ่สิ่งเพื่างจนความละเอียดของจิตความเต็มของจิตที่ไม่เคยเมื่ิดไม่เคยทราบเห็นเต็มมาก่อนมันเกิดขึ้นเต็นขึ้นแต่ก็ไม่เกิดขึ้นจต็ขึ้นจากที่อื่นเกิดขึ้นเต็มขึ้นจากของนิ่อยู่ของเต็มอยู่ในตัวของเรานี่เอง ราบว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีอะไรที่จะไปเกาะเกี่ยวไปยึดถือไปไวุ่นวายกับอะไรอีกความสมมติเก่วไปมันเพียงขันสมมติถูมมาทราบเรื่องสมมติคืออะไรนั้นเข้าใจว่าจริง นี้ไม่มีอะไรที่จะเสียจะหายจะเสื่อมจะเจริญจะดีจะชั่วอาตรรมิริยากายวาจา ย, ายจะทําไปอย่างไรสิ่งเหล่านั้นจะมีการเสียหายเศร้าหมองอย่างไรอีกทั้งเข้าใจเต็มที่ว่ไม่มีอะไรอีกในทางที่จะละในทางที่จะบําเพ็ญ อันนั้นคืออะไรอันนั้นคือผูอ้ปฏิบัติปฏิบัติเห็นเต็มในใจจะสมมติว่าวิสุทธิธรรมก่อถูกจ่สมมติว่านิทานก่อถูกแต่สมมติว่าวิมุตติก่อถูกเพราะ่งอื่นที่เาราเคยปฏิบัติปฏิบัติมาตามละเอียดแท่งใจจะละเอียดไปขนาดไหนมันก็ไม่เห็นอะไรเป็นอย่างนั้นจริงเหล่านั้น มันเกิดขึ้นมันเป็นขึ้นเพียงขณะเดียวเท่านั้นมันก็ทราบเนื่อยไปตลอดไปว่าจริงเราเคยสงสยัยเราเคยจิดข่องนั้นมันเป็นอะไรจริงๆมันเป็นขึ้นระยะ น, นี้จะมีอะไรจะเพิมเติ ม, มจะทำมุมเทีนมันทรา เรนมันทราบมันเข้าใจว่าไม่มีอะไรที่จะละจะบำเทนจะอยู่ไปกี่วันกี่เดือนกี่ปีหรือจะตายใปวันนี้มีความดีใจเสียใจมีความได้อะไรอีกไหมหมดความสงสัยในใจไม่มีอะไรที่จะไปถัดข้อตายในขณะนี้ก็ไม่มีอะไรที่จะเสียหาย ยังไม่ตายก็ไม่มีอะไรที่จะร้ายจะถอนอีกทาา้าบเข้าจัจความบริสุทธินั้นมันเหมือ น, นกันหมดไม่ว่าพระพิดใช้เจ้าหรือสาวกไม่ว่าเด็กเล็กผู้ใหญ่เหนื่ออิ่มแล้วมันชาดเดียกั น, นทางนั้นนี่คือความอิม่มท้องอัดท้องทำที่ผู้ประพฤติปฏิบัติจะต้องเห็นต้องเห็นในตัวท้องตัวไม่อย่างนั้น จะต้องมีความสงสัยเรื่อยไปเนื่อยังมีความสงสัยก็ต้องเจือใสต้องทิวที่เจรนาในวันใดก็วันหนึ่งทางหน้ามันจะเกิดจะเห็นจะเป็นขึ้ น, นในจิตในใจไม่มีการสงสัยไม่มีการไต่ถามคนอีกพอมันเห็นมันเป็นไปจากชัดเจนในจิตในใจอย่างนั้นนี่คือการประพฤติปฏิบัติ เกี่ยวความหลุดผลเกี่ยวความสุขเกี่ยวความสงบนัตถิสันติพลังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความเพลินความเห็นอย่างนี้ไม่มีเพราะสุขอื่นที่เราเคยเห็นเคยเพลินสุขจอมจอมสุขแล้วเกิดทุกขสุขแล้วไม่แน่อยนอนเกีสุขวันนี้เนทุกวันหน้า ดีใจวันนี้จเจอเรื่อา น, นี่เสียมไปในค่ะวันเ้าหน้าหรือเสี่ยมไปได้จเจริ่ขึ้นนั้นเป็นอยู่อย่างนั้นความเป็นของท่านที่บริสุทธิ์สมมติเหล่านี้ไม่มีในความเป็นอย่างนั้นทุกวันทุกเวลาจะเข้าจะออกอย่างไรนั้นมันเป็นอาการ ของจิตแต่ามบริสุทธินั้นถ้ามันถึงมันเป็นยิ่งจังในมีการเข้าการออกจะตายเหงาตาหากนณีมีเวลาที่จะเปลี่ยนจะเสียไปตามลมปาของชาวโลก